บางคนฟังมาหลายปีบางคนก็ฟังไม่นานมากแต่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองถ้าเราฟังทำแล้วเราลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะในช่วงต้นๆจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากจิตใจเราเคยเลวร้ายมาก จะรู้ทันเดิมนึกว่าเราเป็นคนดีมันดีไปไม่รอดจริงๆแต่และคนเราก็สะสมกิเลสมาเยอะแยะเรามาหาดภาวนาแล้วก็รู้ทันกิเลสในใจเราไม่ว่าเราจะคิดนะเราจะพูดเราจะทำอะไรเนี่ยเบื้องหลังการคิดการพูดการทนะํานั้นก็คือกิเลสทั้งนั้นเลยนะถ้าดูให้ดีเนี่ยแต่เดิมเราไม่รู้เลยเพราะงั้นเราไม่มีทางที่จะเอาชนะกิเลสได้เลย มันซ่อนอยู่ทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำนี่เพรเรามาหัดภาวนารู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจของเราเรื่อยกิเลสมันแฝงอยู่ในใจถ้าเราคอยรู้เท่าทันจะเห็นว่าโอกิเลสเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นกิเลสจะดับโดยอัตโนมัติดับเองอัตโนมัติเลย แต่เหตุของกิเลสยังมีอยู่เดี๋ยวมันจะเกิดอีกเป็นสะสมมานานมีอนุสัยมีความเคยชินนี่นเรามาพานาไปเรื่อยนะแต่ที่สุดจิตมันเคยชินชนิดใหม่มันเคยชินที่จะมีสติถ้าจิตเคยชินจะมีสติแล้วสติเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอนุสัยทํางานไม่สําเร็จปรุงกิเลสหยาบขึ้นมาไม่ได้อนุสัยเองก็ไม่เที่ยงนะ พอมันไม่มีมีบากใหม่ไปหลอเลี้ยงไม่มีกิเลส ท, ที่เราทาใหม่ไปหล่อเลี้ยงมันจะค่อยเหี่ยวแห้งไปคือนิสัยไม่จะเปลี่ยนนี่เรามาฝึกนเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจิตใจของเราได้เนีย่ยมันไม่ยากถ้าเราหัดดูหรือจิตเคยฟุ้งซ่านมากไม่เคยรู้ตัวว่าเราฟุ้งซ่าน จิตวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งวันเลยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมหัาภาวนาเราเลยรู้ว่าจิตเราไม่เคยอยู่กับ เ, เนื้อกับตัวจิตลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลาพอรู้ทันอย่างนี้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านนะั้นเป็นจิต ท, ที่มีกิเลสชื่ออุทธัจจะความฟุ้งซ่านทันทีที่เรารู้ทันความฟุ้งซ่านนะจิตจะสงบอัตโนมัติ วความฟุ้งซ่านมันดับจิตมันก็สงบนี่เราคอยรู้ทันกิเลสนะมาปฏิบัติพอกิเลสครอบงำใจไม่ได้พฤติกรรมเราจะเปลี่ยนคนทุศีลเนี่ยเริ่มมีศีลมากขึ้นคนเห็นแก่ตัวก็รู้จักเสียสละคนไม่มีศีลก็รู้จักมีศีลจะทำผิดศีลก็ละอายแก่ใจ คนไม่มีสมาธิจิตใจฟุ้งซ่านตลอดเวลาจิตใจก็เริ่มตั้งมั่นจิตใจก็เริ่มสงบนะสมาธิค่อยเริ่มเกิดเป็นคนซึ่ ง, งโง่ไม่เคยเห็นความจริงของกายของใจตัวเองเลยก็เริ่มมารู้ความจริงของกายของใจนะเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานาตาบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนะในการที่เรามาหัดปฏิบัตินะ ความเร็วที่มีอยู่ก็ค่อยลดลงลดลงกุศลที่ไม่เคยมีก็มีขึ้นมากุศลที่มีแล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นไปอย่างแต่เดิมไม่เคยมีสติเลยคนในโลกไม่มีสติคนในโลกรู้แต่ของข้างนอกไม่เคยรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองเรียกว่าไม่มีสติปัฏฐานมีก็สติอย่างโลกโลกขับรถไม่ตกถนนเดินไม่ตกท่ออย่างั้นแต่จริงๆคนในโลกไม่มีสติปัฏฐาน ไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้พวกเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์เรารู้เส้นทางเดินที่พระริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินกันเรามามีสติรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเนืองๆของไม่เคยมีก็เกิดมีขึ้นมาทีแรกนานๆสติเกิดทีหนึ่งยิ่งเราฝึกไปนานนะต่อไปร่างกายขยับสติก็เกิดจิตไหวนิดเดียวสติก็เกิด คนทั่วไปไม่มีสติที่จะรู้กายรู้ใจเลยมาหัดปฏิบัติใหม่ๆนะก็ไม่มีสตริรู้กายรู้ใจได้แต่มีสติเพ่งกายเพ่งใจก็ไปเพ่งอยู่เฉยๆถ้ามารู้ทันว่านี่เป็นการเพ่งนะก็แค่สักว่ารู้ว่าเห็นอยู่เวลาร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกโดยที่ไม่ได้เจต น, า จ, ใ น, ในาจะรู้สึกเวลาจิตใจเคลือ่อนไหวก็รู้สึกโดยไม่เจตนาจะรู้สึกรู้ว่ากายเคลื่อนไหวรู้ว่าจิตเคลื่อนไหว การที่เราเห็นสภาวะของรูปของนามนียกว่าเรามีสติล้นะสติตัวจริงเลยสติปัฏฐานไม่ได้เจตนาจะรู้สึกแรกๆนานๆจะรู้สึกทีหนึ่งเช่นสวันรู้สึกได้ทีหนึ่งนะแต่มารู้สึกได้ทุกวันรู้สึกได้ทุกชั่วโมงถ้าฝึกได้ชำนิชำนาญ น, นะจะรู้สึกได้ทีมากเลยนาทีหนึ่งรู้สึกหลายครั้งถ้านาทีหนึ่งรู้สึกได้สักสาสี่ครั้งเนี่ค่อยใช้ได้ละนะ ถ้าวันหนึ่งรู้สึกครั้งหนึ่งสองครั้งยังอ่อนยังใช้ไม่ได้พยายามรู้สึกให้บ่อยรู้สึกกายรู้สึกใจให้บ่อยเนี่ยมันจะค่อยพัฒนาแต่เดิมไม่มีกุศลไม่มีสติเลยแต่มาก็มีสติเกิดขึ้นมีกุศลเกิดขึ้นมีสติเกิดขึ้นแล้วแต่ไปกุศลหรือสติก็พัฒนาขึ้นไปเกิดบ่อยขึ้นเกิดถี่ขึ้นเนี่ยเป็นความงอกงามเป็นความเจริญเจ้าหน้าของการปฏิบัติธรรม กิเลสที่เคยมีอยู่ก็ลดกําลังลงไปเรื่อยๆนะกิเลสใหม่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมากุศลที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นกุศลที่เคยเกิดแล้วและก็เกิดทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นนะนี่เป็นความงอกงามก้าวหน้านะของการปฏิบัติธรรมแล้นะพวกเรามาปฏิบัตินะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ในเวลาสั้นนะใช้เวลาไม่นาน 7วันเจ็เดือนเจดปีไเนะี่ยไม่นานนะบางคนว่าเจ็ปีนานไปเจ็เดือนนานไปอยากเจ็ดวันอยากเจดวันมันไม่ได้อย่างอยากนะับารมีเราไม่พอเราสะสมมาไม่พอคนที่เขาสะสมพอเขาทำไดนะ้สมัยก่อนมีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลงหนึ่งแต่นั้นจะนับเจ็ดวันก็ยากนะเพราะว่าฝึกมาตั้งแต่เป็นคารวานนะอยู่ทางอำเภอลาดวน เป็นคารวะนี่แหละถ้าภาวนาทำไรท่ทำนานะ้ำนุ่ ม, มข้าวัดหลวงพ่อกิมข้าวัดป่าดลงครูไปภาวนาทีแรกก็ภาวนาไปเรื่อยครูบาอาจารย์ให้พุโทโธให้หายใจอะไรก็ดูไปเรื่อยไม่ได้คิดอะไรมากวันหนึ่งกลับจากวาดัดออกจากวาดัดไปนั่งภาวนาที่วดัดเดินออกจากวัดมามองลงไปที่พื้นดินนะเห็นพื้นดินมันแยกออกพื้นดินมันแยก มองเห็นเห็นนรกเห็นกระทะกท ะ, ะทองแดงทองเหลืองอะไรนะเขาก็ไม่ได้เล่าหรอกก็ เ, เห็นกระทะมันต้มมีคนโดนต้มอยู่เยอะเลยดูนักคนรู้จกักเยอะเลยดูเบรกทีใจมันก็บอกนี่พวกนี้พวกต้มไหมต้มตัวไหมใครเคยเห็นเขาทาไหมบ้างใครเคยใช้ผ้าไหมบ้างนี่แหละมาจากชีวิตจํานวนมากมาย <laughs> ไหมก็จะามาเลี้ยงนะเอาหนอนมาเลี้ยงนะเอาใบใบหม่อนน โ, โปะไว้ให้มันกินนะมันจะกินกินสุดท้ายจะเป็นตัวดักแด้ตัวขนาดนี้นะถ้ามันถักใหญ่ล้อมตัวมันไว้ใหญ่ขาวๆตัวมันก็ขาว ข, าวข้างในแล้วเวลาได้ที่แล้วนะเส้นไหมได้ที่แล้วก็จะเอาตัวไหมทั้งหมเ น, นี้ต้มลงไปในน้ําเดือดๆ เ, เลยต้องเป็นๆ น, นะ ตัวไหมต้มเป็นๆแล้วค่อยสาวขึ้นมาสาวหมุนๆสาวๆมีไม้หนึ่งกันสาวไม่รู้มันขึ้นมาได้ไงก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเสร็จแล้วพอเส้นใหญ่หมดเนียจะเหลือตัวหนอนตัวด้วงตัวหนอนนะ้ตัวมันจะกลมๆแล้วมันไม่เป็นหนอนยาวๆแล้วมีถุงนะมีถุงหุ้มอยู่อีกทีหนึ่งถุงขาวขๆหลวงพ่อตอนนั้นเป็นนักศึกษา ออกไปจา บ, บ้านเาเราก็ไปดูเขาสาวใหม่นะสาวใหม่เสร็จแล้วเขาก็ช้อนขึ้นมาเลยส่งมาให้เราก็มาดูดูแล้วก็คืนเขากอกินสิกินได้เลยนะสาวเสร็จแล้วคล้ายๆต้มกินเลยเรากลัวมากเลยตอนนั้นเนี่ยคนนี้แกเห็นเขาสาวใหม่นะพวกที่สาวใหม่นะถูกต้มแล้วก็ หายไปภาพนี้หายเป็นเดินไปอีกอีกที่หนึ่งเดินอยู่นะเห็นลงไปในโลกเนี่ยเห็นว่าพื้นโลกเนี่ยบางนิดเดียวพื้นโลกบางนิดเดียวนะข้างล่างเนี่ยเป็นหินละลายทั้งนั้นเลยนะเป็นลาวาเหลวๆก็อยู่แถวสุรินบุรีลำนะข้างล่างมีภูเขาไฟอะไรอย่างนีนะ้มองลงไปเห็นเนพะราะว่าเปลือกโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยบางนิดเดียวนะเทียบกับโลกแล้วนะเปลือกโลกนี่บางนิดเดียว โลกนี้งอนแงน่นคลอนแคลนโลกนี้น่ากลัวชีวิตเป็นของไม่แน่นอนใจมันสัมผัสธรรมะอย่างนี้ขึ้นมาเลยก็เลยออกไปบวชมาบวชอยู่วัดหน้าเรือนจำตอนนั้นใกล้หลวงปู่น่ยบวชพ่อนาเจ็ดวันเองเจ็ดวันจิตว่างจิตว่างเปล่าไปถามหลวงพ่อสอม ไปเล่าให้หลวงพ่อสอมฟังว่าโอ้จิตผมเป็นไรหลวงพ่อซอมบอกจิตมันเข้านิโรธ <c oughs> นี่ยภาษาเขานักปฏิบัตินะจิตมันว่างๆไปก็บอกว่าจิตมันเข้านิโรธก <c oughs> ็เอ้เข้านิโรธไงน้าคิดว่าจิตของเราเข้าไนโรธอย่างนี้พอฉันข้าเสร็จนะก็เดินตัดทุ่งมาสมัยนั้นเมืองสุรินทร์มันยังไม่มีตึกเยอะอย่างนี้ จะเข้ามาวัดบุรพารามเนี่ยให้ตัดทุ่งน้ำมาหลวงพ่อเคยเดินตัดทุ่งนี้มาเดี๋ยวนี้เป็นตึกไปหมดแล้วตัดไม่ได้เดินมาหาหลวงปู่ไปบอกหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตผมมันถึงนิโรธหลวงปู่ตะหวาดเนี่ยหลวงปู่ดูน้ดดนนะอาอัศาจรรย์มากเลยสอนกรรมฐานนะประหลาดมากเลยนี่ตะหวาดเอาเลยเฮ้ยนิ่รงนิโรธอะไรกันจิตนะท่านหมด ความยึดถือว่าจิตเข้านิโรธนะจิตก็ปล่อยวสว่างว่างขึ้นมามีความสุขนเะนี่ยภาวนามาเจ็ดวันเองภาวนาเจ็ดวันแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะ <laughs> เดี่ยเที่ยวไปค้นกว่าว่าใคร <laughs> ไม่อยู่แล้วนะงั้นจริงๆแล้วการภาวนานะถ้าเรามีบุญเก่านี่เขามีบุญเก่าในชะ่ไม เขามีปัญญาเขาเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนโลกนี้ไม่เที่ยงเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงประมาทไม่ได้ความตายมาถึงได้ทุกเมื่อเนี่ยคนที่อินสี่แก่กล้านั้นภาวนาเจ็ดวันภวนาเจ็ดวันจะได้ธรรมะอะไรไม่รู้เนอะเข้าใจเขาดีครูบาอาจารย์ชมตรงนี้ไม่พวกเราบางคนทําไมภาวนานานนานกว่าเจ็ดวัน ก็อินทรีย์เรายัางไม่เท่าเขาพวกเราเคยรู้สึกไหมชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนใครรู้สึกอย่างนี้บ้างยกมือสิซาตุนี่พวกอินทรีย์แก่กล้าใครรู้สึกว่าอีกนานกว่าจะตายยกมือสิอีกนานไม่ยอมยกมาทั้งนั้นแหละไม่ยอมยกแล้วทีดีๆนะ่ยกเลยนะทีถามสักทางไม่ดีไม่ยกแล้ว จะช้าจะเร็วไม่ใช่อยู่ที่จงใจทำเอาได้นะจะช้าหรือเร็วนี้ขั้นแรกเลยเราปฏิบัติถูกวิธีหรือเปล่าถ้าปฏิบัติผิดวิธีนะมันไม่เร็วหรอกนะทําไงก็ไม่เร็วปฏิบัติถูกวิธีก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางต้อนงะถูกวิธีก่อนอันที่สองเมื่อปฏิบัติถูกวิธีแล้วปฏิบัติทำสมควรแก่ทำ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยหมายถึงปฏิบัติเต็มที่เลยเต็มฝีมือเลยนะแค่ไหนถึงเรียกว่าสมควรแก่ธรรมจุดตั้งต้นของการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนีอยู่ที่ความสำนึกของเราเองถ้าพวกเรามีความสำนึกนะว่าชีวิตนี้งานหลักของเราคือการปฏิบัติธรรมเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้เราถึงจะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้ ถ้าเราเห็นว่าชีวิตนี้การอยู่กับโลกนะเป็นงานหลักการปฏิบัติทําเป็นงานอดิเรกอย่างนี้ยังไงก็ปฏิบัติทําให้ส่สมควรแก่ทาเพราะปฏิบัติธํามจะเอาไวท้ทีหลังขอยุ่งกับโลกก่อนถ้ไม่ได้คิดว่าอยู่กับโลกนี้เป็นแค่งานสนับสนุนงานชั่วคราวเราทํามาหากินเรามีครอบครัวเราอยู่กับโลกนี้นะเพื่อจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขชั่วชีวิตเดียวนี้เท่านั้น แต่ถ้าเรามีความสำนึกว่าหน้าที่หลักของเราคือการยกระดับจิตใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ส่วนการหน้าที่ทางโลกนั้นเป็นแค่เครื่องอาศัยเพื่ออยู่กับโลกนี้เป็นช่วครั้งชั่วคราวถ้าเรามีความสำนึกอย่างนี้ได้นะเราจะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำที่จะขยันมากเลยนะไม่มีใครสั่งครูบาอาจารย์ไม่ต้องคอยถามว่าเป็นไงการปฏิบัติช่วงนี้เป็นไงไม่ต้องถามจะขยันจะคอยดูของเราตั้งแต่ตื่นจนหลับ ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับนะยกเว้นเวลาที่จำเป็นต้องทำงานที่ต้องคิดเพื่อจะอยู่กับโลกนี่แหละก็ยังจำเป็นต้องอยู่ใช่หไหมงั้นงานหลักจริงๆก็คืองานปฏิบัติพวกเราคนไหนรู้สึกว่างานหลักในชีวิตเราคือการปฏิบัติทำยกมือซิยกมือนะโอ้นี่พวกอินทรีย์แก่กล้ามากนะมากมากเลยนะอยู่ที่ตัวเราเองนะนแรก ที่หลวงพ่อบอกพวกเราได้นะั่นคือวิธีเท่านั้นเองอย่าว่าแต่หลวงพ่อประโมุ่เลยพระพุทธเจ้าสอนเราได้ก็แค่วิธีปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางเราต้องเดินเอาเองนี่เราจะขยันเดินหรือไม่ขยันเดินอันแรกเนะี่ยอยู่ที่จิตสํานึกของเรานะเราตระหนักไหมว่างานหลักในชีวิตเราคือการปฏิบัติบางคนนะมันปฏิบัติโดยโดยสายเลือดเลยนะอยากปฏิบัติตั้งแต่เล็กๆ เ, เลย หลวงพ่อตันเด็กนะผู้ใหญ่ให้เลือกผ้าเช็ดตัวนะจะเลือกสีเหลืองพอได้มาเนี่ยจะามาห่มนะแล้วสวดมนต์นะร้อนแทบไตชักเลยก็นะอเอามาห่มนะแล้วก็นั่งสวดมนต์ไปยด้ชอบสวดมนต์เล่นเป็นพระนะเล่น <laughs> เล่นเป็นพระไม่เล่นขายข้าวขายแกงฉีม้าส่งเมืองยิงปืนเลยไม่เล่นเท่าไหร่เล่นน้อยนะ เขาเล่นเป็นพระตั้งแต่เจ็ดขวบนะเจอท่านพ่อหลีไปบ้านสงคารามท่านสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งทำทุกวันไม่เคยเลิกเลยนะทำเองไม่ต้องให้ใครสั่งชอบชอบปฏิบัตินี่มันอยู่ในสายเลือดนะพวกเราคนไหนรู้สึกอย่างนี้บ้างมีไหมว่าเราต้องปฏิบัตินะ ปฏิบัติถ้าใจมันคิดอย่างนี้นะมันจะขยันแล้วก็ถ้ารู้ทางที่ถูกนะก็ไปทิ้วเลยหลวงพ่อนะอาภัพเป็นคนอาภัพนะชอบปฏิบัติแต่ไม่รู้ทางตอนเด็กๆถึงจะเรียนจากทางวัดโสเรียนจากท่านพ่อรีท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วก็เรียนได้แค่สมถะยังขึ้นวิปัสสนาไม่เป็น ท่านให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโูกก็ทำอยู่อย่างนะั้นนะไม่ได้เรียนต่อท่านอยู่ไม่นานท่านก็สิ้นไปไปหาท่านศูนสองเราเด็กนานๆมันจะได้ไปทีหนึ่งท่านสิ้นไปศูนย์สหรือศ อ, อะไรเนี้ยไล่ๆเนี้ยแหละก่อน25งพอยสิบเองเรียนกับท่านได้นิดเดียวเงั้นถึงครูบาอาจารย์เก่งนะแต่เราเด็กแล้วเราเรียนได้น้อยทําได้แต่ความสงบ ถึงงั้นก็ทํามาเรื่อยไม่ทิ้งการทําความสงบหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรนี่ทามาเรื่อยทีแรกมันก็มีหายใจเข้าพูดหายใจออกโทต่อไปพูดโทมันหายไปเหลือแต่ลมต่อไปลมหายเ ห, ห, หลือแต่แสงสว่างแล้วจิตก็จับอยู่กับความสวา่างอยู่งั้นทำอะไรไม่เป็นเดินปัญญาไม่เป็นจนอายุยี่สิเเจอหลวงปู่ดุล หลวงปดูลท่านสอนให้ดูจิตก็เลยเดินปัญญาได้แต่พวกเราต้องระวังอย่างนะครับว่าดูจิตดูจิตเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาเสมอไปนะดูกายก็ไม่ใช่สมถะหรือวิปัสนาเสมอไปมันอยู่ที่วิธีดูพวกที่ว่าดูกายทำวิปัสนาไม่จริงหรอกพวกที่ดูกายส่วนใหญ่ทำสมถะแล้วพวกที่ดูจิตอะทำวิปัสนาหรือเปล่าก็ไม่จริงเองส่วนใหญ่ของพวกดูจิตก็ทาสมถะอีกแล้ว ไม่ว่าจะดูกายก็ไปหลงอยู่กับสมถะดูจิตก็ไปหลงกับสมถะต้องรู้วิธีจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูให้ได้ก่อนเนีตอนนั้นไม่รู้วิธีแต่ฝึกจนจิตตั้งมั่นมาตั้งแต่เด็กแนละ้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยอำนาจของสมาธิทําสมาธิเยอะจิตก็ตั้งมั่นรู้ตัวอยู่นะแต่เดินปัญญาไม่เป็นก็หวังว่าทําสมาธิไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะรู้แจ้งในธรรมะขึ้นมาไม่เป็นหรอก ทำสมาธิยังไงนะก็ไม่ทําให้บรรลุทําได้หรอกมาเจอหลวงปู ด, ดุลท่านสอนให้ดูจิตคําว่าดูเนี่ยหมายถึงว่าจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถ้าพูดให้ตรงให้ถูกนะต้องใช้คําว่าเห็นนะั่นหลวงปูดุลใช้คําถูกนะท่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งท่านใช้คําว่าเห็นคําว่าเห็นนั่นคือคําว่าวิปัสสนานั่นเองวิปัสนาปัฏนะว่าการเห็น วิก็แปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นตรงความจริงเห็นไตรลักษณ์เงี้ยที่ว่าดูจิตดูจิตนี่เป็นคําที่เราพูดเอาง่ายถ้าพูดได้ตรงๆเลยก็เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นตัวจิตเฉยๆเป็นสมถะถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงเรียกว่าเห็นวิปัสสนาดูกายเหมือนกันถ้าเราเห็นกายอยู่นะเรียกว่าเป็นสมถะ ถ้าเราเห็นความจริงของกายเห็นกายตามความเป็นจริงนี่จะเรียกว่าวิปัสนาคาว่าความจริงคือไตรลักษณ์เท่านั้นเองงัอนอย่างเวลาเราภาวนานะบอกเราดูท้องพองยุบอันนี้เป็นสมถะหรือวิปัสนาเราเห็นท้องใช่ไหมเราเห็นท้องเป็นสมถะเราเห็นลมหายใจเข้าออกเป็นสมถะหรือวิปัสนาเป็นสมถะเราเห็นจิตเป็นสมถะ เห็นเวทนา <S <S เป็นสมถะนะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของกายเช่นเรารู้สึกอยู่เลยตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุนะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นนะถึงเรียกว่าเดินปัญญาอยู่แล้วถ้าหากจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูนะแล้วความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นนั่นแหละถึงจะเป็นการทํำวิปัสสนาแท้ๆเลยไม่ได้คิดเอา แต่รู้สึกเราอย่างเห็นร่างกายเดินเนี่ยจะมีความรู้สึกขึ้นมาเหมือนเห็นคนอื่นเลยเหมือนเห็นสัตว์อื่นเหมือนเห็นวัตถุมันเห็นสิ่งของนะเห็นหุ่นยนต์เดินไม่ใช่คนเดินไม่ใช่สัตว์เดินไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เขาเดินอย่างนี้นถือเรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่เห็นเวทนาเกิดขึ้นเช่นเรานั่งไปนานๆนะเห็นเวทนาเกิดขึ้นความจริงคือรู้สึกถึงเวทนานะรู้สึกถึงเวทนาที่เกิดขึ้น ก็ใช้คําว่าเห็นก็นแล้วกันเพาเห็นเวทนาเกิดขึ้นในกายตรงนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนานถ้าเห็นว่าเวทนาเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเป็นแค่สภาวธรรมเกิดอาศัยสภาวะธรรมก็คือร่างกายมีสภาวะธรรมอีกอันหนึงคือจิตเป็นคนไปดูมันเข้าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่ถ้าจะทํำวิปัสสนาเนี่ยต้องถอนความเห็นผิดนะ ความเห็นผิดว่าของไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงของเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสุขของเป็นอนัตตาเห็นว่าเป็นตัวเราตัวเขาเป็นคนเป็ Dum, นสัตว์เป็นเราเป็นเขามีตัวมีตนถ้าถอนความเห็นผิดอย่างนี้นะเรียกว่าเจริญปัญญาอยู่เพราะการเจริญปัญญานั้นหน้าที่ของการเจริญปัญญานั้นคือการถอนความเห็นผิดเจริญปัญญาไม่ใช่ทําให้จิตสงบไม่ใช่ทําให้จิตตั้งมั่นการทําให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นเรียกว่าการฝึกสมาธินะ ส่วนศีลนั้นเป็นการข่มจิตเป็นการข่มจิตไม่ให้หลงตามกิเลสไม่ให้กิเลสมาครอบงำได้เป็นการข่มใจไว้สู้กิเลสไม่ไหวข่มใจไว้ไม่ให้ยอมตามกิเลสนี่เป็นศีล น, นี่เราจะพ้นทุกข์ได้น ะ, จะเจริญวิปัสสนาได้นะต้องมีปัญญาปัญญาเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ปัญญาตัวนี้จะเกิดได้เนี่ย อาศัยคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆเรียกว่ามีสติบ่อยๆแล้วมีจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่จะเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จะเห็นว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จะเห็นกูศลและอกูศลเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะมีจิตตั้งมั่นอยู่จะเห็นวิญญาณเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณก็คือจิตนั่นเองนะจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดดับนะเนี่ยถ้าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะมีสติระลึกลงไป ในรูปในร่างกายนะในความรู้สึกสุขทุกข์ในกุศลอนะกุศลทั้งหลายนะในจิตที่ออกไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายเราจะเห็นเลยว่าสภาวะทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายที่เวียนกันเกิดอยู่ตลอดเวลานะั้นนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะถ้าเราถอนความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาได้ต่อไปจะปัญญามันแก่กล้าขึ้น มันจะเห็นว่าสภาวะธรรมมีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของรูปมีอยู่แต่ไม่ใช่ไม่มีเจ้าของไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสุดท้ายมันจะเห็นไปถึงขนาดว่าความทุกข์มีอยู่นะแต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์เพราะมันถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนไปซะล้ถ้าความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ความทุกข์จะอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่ที่ขัน ความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนหอความจะทุกข์อยู่กับขันแต่ขันไม่ใช่ตัวเราซะแล้วนะเราก็เลยไม่มีความทุกข์ที่เข้ามาถึงจิตใจอันนี้ได้อีกนะเนี่ยเราค่อยๆฝึกไปค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปนะงั้นเราต้องปฏิบัติทาให้สมควรเกียรทนะขยันดูดูบ่อยๆดูเนืองๆนานๆดูทีหนึ่งมั น, น, น, น, นจะเก่งได้ยังไงนะอย่างเป็นนักเรียนใช่ั้มอาจารย์ให้ทำการบ้าน ทำการบ้านบ่อยๆก็เก่งเร็วใช่ไหมปีหนึ่งไม่ยอมทํากันบ้านเลยกละว่าจะไปสอบลูกเดียวเลยบางทีก็ไปไม่รอดหลวงพ่อเลยให้พวกเราส่งกันบ้านเป็นการเตือนนะว่าฟังแล้วต้องทํานะเรามาดูความรู้ความเข้าใจของเราที่อาจารย์ให้ส่งกันบ้านนะก็เพื่อจะตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของเราในวิชานั้นๆใช่ไหม หลวงพ่อให้พวกเราส่งกันบ้านก็เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของพวกเราในวิชาปฏิบัติธรรมนี่แหละนะฟังเสียงะระฆังแล้วดูสิจิตจะไหวสะเทือนขึ้นไหมรู้สึกไหมครั้งที่สองยังไม่ค่อยกระเทือนครั้งที่สามหลายคนกระเทือนชัดขึ้น เพราะอะไรมันกระเทือนเท่ากันแหละแต่ว่าเราไม่มีสมาธิพอครั้งที่สามที่ได้ยินเสียงครั้งแรกนี่ยไม่รู้สึกเลยเใช่ไหมเพราะเราไม่มีสมาธิไม่ได้จดจ่อที่จะคอยรู้ครั้งที่สองเนี่ยเริ่มไหวขึ้นหน่อยๆครั้งที่สามเนี่ยชัดขึ้นอาศัยที่จิตที่สงบสิทตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะเห็นสภาวะได้ชัดนะสังเกตไหมเวลาเสียงกระทบหูจิตจิตไหวขึ้นมาจิตสะเทือนขึ้นมานะเดี๋ยวลองไปฟังนะ ไปฟังเสียงใครแต่งงานแล้วบ้างใครแต่งงานแล้วในห้องนี้ใครแต่งงานเกินสิบปีเยิ้มือกันนะไปฟังเสียงแฟนเรานะแล้วจะรู้ว่าจิตไหวเป็นยังไงแต่งใหม่ใหม่ก็ไหวนะแต่มันดูยากนะจ้าจ้าจ๋าจ๋าอะไรที่นะ้นมันไหวแล้วมันหยาดเยิอมดูไม่ออกนะถ้าพอไอ้แก่นะคํายอดหิตไอ้แกนะ่อีแก่อะไรนี่นะ มันไหวจะดูได้ชัดไปหัดดูนะเมื่อตาเห็นรูปจิตก็ไหวเมื่อหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อก า, กายกระทบสัมผัสจิตก็ไหวนะเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งจิตก็ไหวนะเราลองมาทำกรรมฐานคอยรู้ทันจิตไหวกันก็ได้ง่ายง่ายง่ายสุดๆเลยเพามันไหวทั้งวันอย่าไปเพ่งให้มันนิ่ง ถ้าเราไปเพ่ ง, งนี่จะนิ่งๆไม่ไหวถ้ามันนิ่งๆไปแล้วอะไรกระทบแล้วก็นิ่งอยู่อย่งนแสดงว่าติดเพ่งนะ่ะไม่ดนะีคลายการเพ่งออกให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบอารมณ์ไปตามธรรมดากระทบอารมณ์แล้วนะจิตมันไหวขึ้นมารู้ทันถ้ารู้ทันก็จบตรงที่มันไหวถ้ารู้ไม่ทันนะมันจะปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลขึ้นมาถ้ารู้ยังไม่ทันเองมันจะปรุงตัวกูขึ้นมาเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ขึ้นมานะจะปรุงขึ้นมาเป็นชั้นๆ แรกๆทีเดียวมันจะไหวๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคนไหนถ้าภาวนาจนเห็นความไหวของจิตนะต่อไปจะพบเลยมันไหวมันฟิ้วฟิ้วฟๆอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นเลยถ้าเห็นได้อยังไงนี่นจะเห็นทุกนะนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปเลยใกล้ต่อพระนิพพานะนะ่ะนีเราคอยฝึกของเราไปกนะารปฏิบัติไม่ยากหรอกไม่ยากอะไรนะแค่มีสติรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจ รู้สึกบ่อยๆรู้สึกด้วยใจที่เป็นคนดูนะดูสบายๆดูเขาทางานไปเรื่อยใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเลยมีไหมในห้องนี้มีใครไม่เคยฟั ง, งลหลว ง, ง, งพ่อพูดเลยมีไหมมีคนเดียวอนะยากหน่อยนะฟังครั้งแรกก็จะงงๆเลยถ้าไปฟัง CD ซีดีซ้ำๆนะแลเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเมื่อไหรนะ่การปฏิบัติจะง่ายมากเลยนะ ถ้าสำโดนจีนแบกเหมือนวิญญาณในฝ่ามือเลยอยู่ในกำ ม, มือแล้วง่ายนิดเดียวนะงั้นอดทนฟังนิดหนึ่งฟังแล้วเหมือนยากแต่จริงๆง่ายถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะการปฏิบัติจะง่ายที่สุดเลยแล้วไม่นานใช้เวลาไม่นานนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างรวดเร็วที่สุดเลยแล้วความประหลาดยิ่งกว่านั้นนะไม่ว่าต่อไปนี้เราจะไปฟังทำของใครของครูบาอาจารย์องค์ไหนนะ หรือไปอ่านพระไตรปิฎกหรืออะไรนะความรู้ความเข้าใจเราจะไม่เหมือนเดิมอย่างบางคนฟังครูบาอาจารย์เทศไม่เคยเข้าใจเลยนะถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกจะรู้เลยว่าท่านสอนอะไรนะฝึกนะฝึกตัวเองรู้ทางปฏิบัติให้ถูกนะแล้วก็ปฏิบัติให้สมควรที่จะทำถ้าทำได้สองอย่างนี้มากผลนิพพานไม่ไกลหรอกชีวิตนี้มีโอกาสนะ ถ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติไม่รู้ว่างานที่จะล้างกิเลส จ, จริงๆคืองานเจริญปัญญาคิดว่นั่งสมาธิอย่างเดียวน่าจะหลุดพ้นแล้วก็ีก่ปีกี่ชาติก็ไม่พ้นหรอกนะแต่จะเจริญปัญญาได้จิตต้องมีสมาธิแต่สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิสงบเฉย ๆ, ๆนะตรงนี้ถ้าบางคนยังแยกไม่ออกว่าสมาธิตั้งมั่นกับสมาธิสงบแตกต่างกันยังไงนะไปฟังซีดีหลวงพ่อไว้สอนไว้เยอะแยะเลย ถ้าเราทำได้นะเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงจริงพระธรรมมีจริงจริงพระสงฆ์มีจริงจริ ง, รร ง, ร ง, รงเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วนะมีควาว่ารวดเร็วด้วยถ้าทำถูกแล้วทำพอเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจะรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆสศรัทธาของเราจะแน่นแฟน้นไม่คลอนแคลนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเชิญไปทานข้าวนี่หมดเลยครับ